หนึงเหตุทุกะหวิตกะติตะกะหนึง่งสวิตกะสวิจาระบทหนึ่งปฏิจจวาระปัจยะจตุกนัยเหตุปัจใจสอง้ยสิสภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีทั้งวิตกและวิจารอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีทั้งวิตกและวิจารเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจใจสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีทั้งวิตตกและวิจาร อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีทั้งวิตกและวิจารณเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีทั้งวิตกและวิจารณ์อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีทั้งวิตกและวิจารณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีทั้งวิตกและวิจารณ์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีทั้งวิตกและวิจารณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจมีสามวาระ สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีทั้ทงวิตกและวิจารณ์อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีทั้งวิตกและวิจารณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระย่อสอง้อสิบเอ็ดเหตุปัจจัยมีเก้าวาระอารมณปัจจัยมีเก้าวาระอธิปติปัจจัยมีเก้าวาระอนาตตาปัจจัยมีเก้าวาระสมนันตราปัจจัยมีเก้าวาระละถึง กรมะปัจจัยเมีก้าวาระวิปากะปัจจัยเมีก้าวาระละถึงอวิคตะปัจจัยเมีก้าวาระยอ่อนเหตุ ป, ปัจจัยและณอธิปติปัจจัยสอสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีทั้งวิตกและวิจารอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีทั้งวิตกและวิจารเกิดขึ้นเพราะณเหตุ ป, ปัจจัยมีสองวาระ สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีทั้งวิตกและวิจารณ์อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีทั้งวิตกและวิจารณ์เกิดขึ้นเพราะนอธิปติปัจจัยย่อสองนเหตุปัจจัยมีสองวาระนอธิปฏิปัจจัยมีเก้าวาระนิปุเรชาตปัจจัยมีเก้าวาระนปัจชาชาตปัจจัยมีเก้าวาระนิอสิเวนปัจจัยมีเ้าวาระ นกรรมปัจจัยมีสามวาระนวิปากปัจจัยมีเ้าวาระนมคะปัจจัยมีหนึ่งวาระนวิบยุตตะปัจจัยมีเ้าวาระย่อนอธิปติปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีเ้าวาระย่ออารมณะปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสองวาระย่อพึงขยายสหชาติวาระปัจจะยวาระนิสิยวาระสังสัทวาระ และสัมปยุตตะวาระให้พิจารณาเหมือนกับปฏิจจวาระ 1. สวิตตกระสวิจาระบท 7. ปัญหาวาระปัจจยะจตุ ก, กนัยเหตุปัจจัยเป็นต้นสองร้อยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีทั้งวิตกและวิจารเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีทั้งวิตกและวิจารโดยเหตุปัจจัยมีสามวาระ สภาวธรรมที weirdly, ่ท aren, เป็นเหตุซึ่งมีทั้งวิตกและวิจารณ์เป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีทั้งวิตกและวิจารณ์โดยอรมณปัจจัยมี9้าวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีทั้งวิตกและวิจารณ์เป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีทั้งวิตกและวิจารณ์โดยอธิปฏิปัจจัยมี2 อ, อย่างคืออารมณาธิปติและสหชาตาธิปติมีสาวาระ สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีทั้งวิตกและวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีทั้งว ja like, Man ิตกและวิจารณโดยที่ปฏิปัจจัยมีสองอย่างคืออารมานาธิปติและสหชาตาธิปติมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีทั้งวิตกและวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีทั้งวิตกและวิจารณ์โดยที่ปฏิปัจจัยมีอย่างเดียว คืออรมานะทิปติมีสามวาระย่อสองรยสิเหตุปัจจัยมีสามวาระอรมณ์ปัจจัยมีเก้าวาระอธิปติปัจจัยมีเก้าวาระอานันตระปัจจัยมีเก้าวาระสมณันตระปัจจัยมีเ้าวาระสหชาติปัจจัยมีเก้าวาระอัญญมัญญปัจจัยมีเก้าวาระนิสยปัจจัยมีเก้าวาระอนิสยปัจจัยมีเก้าวาระ อาศวนาปัจจัยม e ีเ้าวาระกรมมปัจจัยมีสามวาระวิปากะปัจจัยมีเ้าวาระอาหารปัจจัยมีสามวาระอินทรียปัจจัยมีเก้าวาระฌานปัจจัยมีสามวาระมครัปัจจัยมีเ้าวาระสามยุตตปัจจัยมีเ้าวาระอธิปัจจัยมีเ้าวาระนธิปัจจัยมีเ้าวาระวิคตะปัจจัยมีเ้าวาระ วิคตาปัจใจมีเก้าวาระยอ่อปัจจนิยุทธาระสองสิกสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีทั้งวิตกและวิจารเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีทั้งวิตกและวิจารโดยอารมณปัจจใจชาชาตาปัจจัยและอุปาณิเสยปัจจัยย่อสอง้ยสิบเจ็ดนเหตุปัจจใจมีเก้าวาระนะอารมณปัจใจมีเก้าวาระ ยอ่อณอารมณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระยอ่ออารมณปัจจัยกับณเหตุปัจจใจมีห้าวาระยอ่อพึงนับเหมือนอนุโลมปั จ, จนิยะอนุโลมปัจญจิยะและปัจญจิยานุโลมแห่งปัญหาวาระในขุสลติกะที่นับไว้แล้ว 2. อ, อวิตกะวิจาระมะตะบท 1. ปฏิจจวาระปัจยะจตุกนาย เหตุปัจจัยสองสภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่มีวิตกมีเพียงวิจารอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่มีวิตกมีเพียงวิจารเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่มีวิตกมีเพียงวิจารอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่มีวิตกมีเพียงวิจารเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระ สภาวธรรมที่เป i mean no Ar ็นเหตุซ no ึ่งไม่มีวิตกมีเพียงวิจารอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่มีวิตกมีเพียงวิจารเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระย่อสองร้เกหตุปัจจัยมีห้าวาระอารมณปัจจัยมีห้าวาระอธิปติปัจจัยมีห้าวาระและถึงกรรมปัจจัยมีห้าวาระวิปัสสนปัจจัยมีห้าวาระ และถึงอวิคตะปัจจัยมีฆาวาระยอ่อณอธิปติปัจจัยสองยสสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์เกิดขึ้นเพราะณอธิปติปัจจัยย่อสองยอณอธทิตติปัจจัยมีฆาวาระณปุเรชาตะปัจจัยมีฆาวาระ นปัจฉาชาตะปัจจัยมีฆ่าวาระนาอเซวนปัจจัยมีฆ่าวาระนกรรมะปัจจัยมีสามวาระนวิปากะปัจจัยมีฆ่าวาระนวิปยุตตะปัจจใจมีฆาวาระย่อนอธิปติปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีฆ่าวาระย่อเหตุปัจจัยกับนอธิปติปัจจัยมีฆ่าวาระย่อพึงขยายสหชาตะวาระปัจยาวาระ นิสยวาระสังสัทธวาระและสัมยุญตวาระให้พิสดารเหมือนกับปฏิจจวาระ 2. อวิตกะวิจาระมัตตบท7ปัญหาวาระปัจยยะจตุปนายเหตุปัจจัยเป็นต้นสองยยีสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่มีวิตตกมีเพียงวิจารเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่มีวิตตกมีเพียงวิจาร โดยเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่มีวิตกมีเพียงวิจารเป็นปัจจัยแฉ่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่มีวิตกมีเพียงวิจารโดยอรมณ์ปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่มีวิตกมีเพียงวิจารเป็นปัจจัยแฉ่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่มีวิตกมีเพียงวิจารโดยธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคือสหชาตาธิปติมีสามวาระ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 คืออรมนาธิปติย่อสองยยีเหตุปัจจัยมีสามวาระอรมณปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีเจดวาระอนันตระปัจจัยมีเก้าวาระสมานันตรปัจจัยมีเ้าวาระสหชาตะปัจจัยมีเ้าวาระอัญญมัญญปัจจัยมีเ้าวาระนิสยาปัจจัยมีเ้าวาระอุปาณิสยาปัจจัยมีเ้าวาระ อาเศวนปัจจัยมีเ้าวาระกรรมปัจจัยมีสามวาระวิปากะปัจจัยมีเ้าวาระมหาราปัจจัยมีสามวาระอินทรียปัจจัยมีเ้าวาระชานะปัจจัยมีสามวาระมัคราปัจจัยมีเ้าวาระสามปยุตตะปัจจัยมีเ้าวาระอัิปัจจัยมีเ้าวาระนณติปัจจัยมีเ้าวาระวิคตะปัจจัยมีเ้าวาระ วิคตปัจจัยมีเก้าวาระยอ่อปัจจ ن ียุทธะสองร้อยยี่สิบสสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่มีวิตกมีเพียงวิจารเป็นปัจจัยแฉ่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่มีวิตกมีเพียงวิจารโดยสหาชาตาปัจจัยและอุปาณิเสยปัจใจย่ยอสองยยี่สิบห้าณเหตุ ป, ปัจจัยมีเ้าวาระณอารมณปัจจัยมีเก้าวาระ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 เหตุปัจจัย226สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อ227เจ็หตุปัจจัยมีกลาวาระอารมณปัจจัยมีกาวาระอธิปติปัจจัยมีกาวาระละถึงกรมมปัจจัยมีกลาวาระวิปากปัจจัยมีกาวาระ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 <unlucky. S 2> สภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่มีทั้งวิตกและวิจารอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่มีทั้งวิตกและวิจารเกิดขึ้นเพราะนะอธิปติปัจมีเก้าวาระย่อสองยี่สิบเกเนืเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระเนือารมณะปัจจัยมีสามวาระเนือธิปติปัจมีเก้าวาระนอนันตรปัจจัยมีสามวาระเนือสัมันตระปัจจัยมีสามวาระ ณัญญาบญรปัจจัยมีสามวาระณอุปนิสยปัจจัยมีสามวาระนปุเรชาตะปัจจัยมี9้าวาระณปัจฉาชาตะปัจจัยมี9้าวาระณอาศัยวะนปัจจัยมี9้าวาระนกรมมปัจจัยมีสามวาระนวิปากปัจจัยมี9้าวาระณอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระนอินทรียปัจจัยมีหนึ่งวาระนชานะปาจัยมีหนึ่งวาระ นมะคราปจจัยมีหนึ่งวาระณสัมปยุตตาปจัยมีสามวาระณวิภยุตตปัจจัยมีเ้าวาระณนุนัติปัจจัยมีสามวาระณวิคตะปัจจัยมีสามวาระย่อณอารมณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระย่ออารมณ์ปจจัยคำณ์เหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อพึงขยายสหชาตาวาระปัจจยาวาระ เนสิยวาระสังจัตถาวาระและสัมยุญตวาระให้พิสดารเหมือนกับปฏิเจาวาระ 3. อวิตรกะอวิจาระบท 7. ปัญหาวาระปัจยะจตุกนัยเหตุ ป, ปัจจัยและอารมณะณปัจจัย2ามสสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่มีทั้งวิตกและวิจารเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่มีทั้งวิตกและวิจาร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 สมนันตระปัจจ ja ja ัยมีเก้าวาระสหชาติปัจจัยมีเก้าวาระอัญญมัญญปัจจัยมีเก้าวาระนิจิยะปัจจัยมีเก้าวาระอุปาณิสิยปัจจัยมีเก้าวาระปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระปัจฉาชาตปัจจัยมีสามวาระอาเสวะนปัจจัยมีเก้าวาระกรรมปัจจัยมีสามวาระวิปากปัจจัยมีเก้าวาระอาหาระปัจจัยมีสามวาระ อินทรียปัจจัยม <Like. S 2> ีเก้าวาระชานะปัจจัยมีสามวาระมรรคปัจจัยมีเก้าวาระสัมยุตตปัจจัยมีเก้าวาระวิปยุตตปัจจัยมีห้าวาระอัิปัจจัยมีเก้าวาระนัตติปัจจัยมีเก้าวาระวิคตปัจจัยมีเก้าวาระอวิคตาปัจจัยมีเก้าวาระย่อปจนียุทธาระ3 <You. S> 2ง สภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่มีทั้งวิตกและวิจารเป็นปัจจัยแห่สภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่มีทั้งวิตกและวิจารโดยอรมณปัจจัยสหชาตปัจจัยและอุปาณิเสยปัจจัยย่อสองรณเหตุปัจจัยมีกล่าวว่าณอารมณปัจจัยมีกล่าวว่าณอธิปติปัจจัยมีกล่าวว่อ ณอารามณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระยอ่ออารามณะปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีเก้าวาระยอ่อพึงนับเหมือนอนุโ ล, ลมปัจจนิยะอนุโลมปัจจนิยะและปัจญิยานุโลมแห่งปัญหาวาระในกุสลตึ ก, กะที่นับไว้แล้วเหตุทุกกะและวิตกะตึกะจบ ป hey. ต well, ติติกะหน ías, 1> 1. Iad, Freud, ึ่งปีติสหัคตะบทหนึ่งปฏิจัวาระปัจยะจตุกนัยเหตุปัจใจสองยสามสิสสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งสหรคตด้วยปีติอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งสหรคตด้วยปีติเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งสหรคตด้วยปีติอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุ ซึ่งสหโรคด้วยปีติเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อสองเหตุป al ัจจัยมีฆ่าวาระอารมณปัจ so จัยมีฆาวาระอธิปติปัจจัยมีฆ่าวาระละถึงกรรมปัจจัยมีฆาวาระวิปากปัจจัยมีฆาวาระอหาราปัจจัยมีฆ่าวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีฆ่าวาระย่อ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 น้เหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระน้าทิปฏิปัจจัยมีเก้าวาระน้ปุเรชาตะปัจจัยมีเก้าวาระน้ปัจฉาชาติปัจจัยมีเ้าวาระน้อเสวนาปัจจัยมีเก้าวาระน้กรรมะปัจจัยมีสามวาระน้วิปากะปัจจัยมีเก้าวาระน้มัคคปัจจัยมีหนึ่งวาระน้วิบิตะปัจจัยมีเก้าวาระย่อน้าทิปฏิปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีเ้าวาระ ย่ออะระมะณปัจจัยคำนะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อพึงขยายสหาชาตะวาระปัจ ย, ว า, ยว า, าวาระนิสยาวาระสังสัทาวาระและสัมยุญตวาระให้พิสดารเหมือนกับปฏิจจวาระหนึ่งปีติสหัคตะบทเจปัญหาวาระปัจยยะจตุกนัยเหตุปัจจัยเป็นต้นสองสาสิบแ สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งสหรคตด้วยปีติเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งสหรคตด้วยปีติโดยเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งสหรคตด้วยปีติเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งสหรคตด้วยปีติโดยระมณปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งสหรคตด้วยปีติเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุ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 คืออรมนาธิปปิและสหชาตาธิปปิมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งสหรคตด้วยปีติเป็นป <term> <mud> ัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งสหรคตด้วยปีติโดยที่ปฏิปัจจัยมีสองอย่างคืออารมนาทิปปิและสหชาตาธิปปิมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุซึ่งสหรคตด้วยปีติเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุ ซึ่งสหรู้โด้วยปีติโดยที่ปฏิปัจจัยมีอย่างเดียวคืออารมนาทธิปฏิมีสามวาระย่อสองเก้หตุปัจจัยมีสามวาระอารมณะปัจัจมีเก้าวาระอธิปฏิปัจัจมีเก้าวาระอันนตระปัจัจมีเก้าวาระสมนันตระปัจัจมีเก้าวาระสาหชาตะปัจัจมีเก้าวาระอัญญมัญญปัจจมีเก้าวาระ นิสยปัจจัยมีเ้าวาระอุปนิสยปัจจัยมีเ้าวาระอาศจะวะนปจจัยมีเ้าวาระกรรมปัจจัยมีสามวาระวิปากปัจจัยมีเ้าวาระมหาราปจจัยมีสามวาระอินทรียปัจจัยมีเก้าวาระชานะปจจัยมีสามวาระมัคราปัจจัยมีเ้าวาระสำปรยุตตะปจัยมีเ้าวาระอัติปัจจัยมีเ้าวาระนัติปัจจัยมีเก้าวาระ วิคตะปัจจัยมีฆ่าวาระอะวิคตะปัจจัยมีฆ่าวาระย่อปัจจน ي ยุทธาระสองสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งสหรคตด้วยปีติเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งสหรคตด้วยปีติโดยอรมณ์ปัจใจสะหสชาต า, าปัจจัยและอุปาณิเสยปัจจัยย่อ241นเหตุปัจจัยมีฆ่าวาระ เนร า, ารรมณปัจจัยมีกล่าวาระยอ่อเนาอารรมณปัจจัยกับเพรตุปัจจัยมีสามวาระยอ่อธรรมณปัจจัยกับเนเหตุปัจจัยมีกล่าวาระยอ่อพึงนับเหมือนอนุโลมปัจจ尼ยอนุโลมปัจจ尼ยะและปัจจ尼ญานุโลมแห่งปัญหาวาระในขุสลติกะที่นับไว้แล้ว 2. ส, สุขะสหัคตะบทหนึ่งปฏิเจวาระ ปัจจะยะจตุกนเหตุปัจจัรยสี่สองสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งสหรตด้วยสุขอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งสหรตด้วยสุขเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจใจมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งสหรตด้วยสุขอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งสหรตด้วยสุขเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจใจมีสามวาระ สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งสหรคตด้วยสุขอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุซึ่งสหรคตด้วยสุขเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระย่อสองสสามเหตุปัจจัยมีเ้าวาระอารมณปัจจัยมีเ้าวาระอธิปติปัจจัยมีเ้าวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีเ้าวาระย่อและเหตุปัจจัยและนัอธิปติปัจจัย 4, สองสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งสหรคตด้วยสุขอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งสหรคตด้วยสุขเกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งสหรคตด้วยสุขอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งสหรตด้วยสุขเกิดขึ้นเพราะหนอธิปฏิปัจจัยมีกลาววาระย่อสองร้ห้าหนาเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระ ณทิปต <ersch> ER ิปัจใจมีเก้าวาระณปุรชาตปัจใจมีเก้าวาระณปัจฉาชาตปัจใจมีเก้าวาระนอเสวนปัจใจมีเก้าวาระณกรรมปัจจใจมีสามวาระณวิปากปัจใจมีเก้าวาระณชาณปัจจใจมีหนึ่งวาระณมฆะปัจจใจมีหนึ่งวาระณวิปวิตปัจใจมีเก้าวาระย่อ ณอธิปฏิปัจจัยกับเหตุตัปั จ, จัยมีกาวาระยอ่ออารามณปั จ, จัยกับนิเหตุตัปั จ, จัยมีหนึ่งวาระย่อพึงขยายสงังชาตวาระปัจยะวาระมิจยวาระสัง ส, าวาสงัวาระและสัมยุตตาวาระให้พิสดารเหมือนกับปฏิจจวาระสองสุขสหคตะบทเจปัญหาวาระปัจยจตุกนยัย เหตุปัจจัยเป็นต้นสองสภาวธรรมที่เป็นเหตุ нибудь. ซึ่งสหรคตด้วยสุขเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งสหรคตด้วยสุขโดยเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งสหรคตด้วยสุขเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งสหรคตด้วยสุขโดยอารมณปัจจัยมีเก้าวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งสหรคตด้วยสุข เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งสัหร้คตด้วยสุขโดยอธิปฏิปัจจัยมีเก้าวาระย่อสองร้เจหตุปัจจัยมี m. สามวาระอรมะณะปัจจัยมีเก้าวาระอธิปฏิปัจจัยมีเก้าวาระอันันตรปัจจัยมีเก้าวาระสมณันตระปัจจัยมีเก้าวาระสะชานตาปัจจัยมีเก้าวาระอัญญมัญญปัจจัยมีเก้าวาระ นิสยปัจจัยมีเ้าวาระปุปนิสยปัจจัยมีเ้าวาระาเสวนปัจจัยมีเ้าวาระกรรมปัจจัยมีสามวาระวิปากปัจจัยมีเ้าวาระอาหารปัจจัยมีสามวาระอินทรียปัจจัยมีเ้าวาระชานะปจจัยมีสามวาระมัคราปัจจัยมีเ้าวาระสมปยุติปัจจัยมีเก้าวาระอธิปัจจัยมีเ้าวาระ นัตถิปัจใจเมฆ้าวาระวิคตะปัจใจเมฆ้าวาระอวิคตะปัจใจเมฆ้าวาระยอ่อปัจจ尼ยุทธาละสองร้อยสสิบสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งสหรคต ด, ด้วยสุขเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งสหรคต ด, ด้วยสุขโดยอารมณปัจจัยสาชาตปัจจัยและอุปาณิเสสะปัจจัยาาปปจจย่อ สองสสิบเนเหตุปัจจัยมีเก้าวาระนอารามณปัจจัยมีเก้าวาระย่อนอารามณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระย่ออารามณะปัจจัยกับนัเหตุปัจจัยมีห้าวาระย่อพึงนับเหมือนอนุโลมปัจจิยะอนุโลมมะปัจจ尼ยะและปัจจ尼ยานุโลมแห่งปัญหาวาระในกุสลาติกะที่นับไว้แล้ว สาอุเบขาสะกะตะบทหนึ่งปฏิจจวาระปัจจะยจตุกนัยเหตุปัจจัยห้าสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งสหรอกดูเบขาอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งสหรอกดูเบขาเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที mm. ่ไม่เป็นเหตุซึ่งสหรอกดูเบขาอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุ ซึสหรคดูเบขาเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งสหรคดูเบขาอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุซึ่งสหรคดูเบขาเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยมีสามวาระย่อสองห้าสิบเอ็ดเหตุปัจจัยมีห้วาวาระอารมณปัจจัยมีห้าวาระอธิปติ ป, ปัจจัยมีห้าวาระละถึง กรรมปัจจัยมีฆ่าวาระวิปากปัจจัยมีฆ่าวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีฆ่าวาระย่อนเหตุปัจจัยเป็นต้นสองห้าสิบสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งสหรฆดูเบกขาอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งสหรฆดูเบกขาเกิดขึ้นเพราะณเหตุปัจจัยมีสองวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งสหรฆดูเบขา อาศ hmm. ัยสภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งสหรฆดูเบิขาเกิดขึ้นเพราะนาอธิปฏิปัจจัยมีก้าววาระสภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งสหรฆดูเบิขาอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งสหรฆดูเบิดขาเกิดขึ้นเพราะน้าปุเรชาตปัจจใจมีก้าววาระสภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งสหรฆดูเบิขาอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งสหรฆดูเบขา เกิดขึ้นเพราะหน้าปัจฉาชาตะปัจจัยมีเก้าวาระย่อสองยห้าน้เหตุปัจจัยมีสองวาระหนอธิปติปัจจัยมีเก้าวาระน้าภูเรชาตะปัจจัยมีเก้าวาระหนปัจฉาชาตะปัจจัยมี9้าวาระหนอเสวะปัจจัยมี9้าวาระหนกรรมปัจจัยมีสมวาระหนวิปากปัจจัยมีเก้าวาระหน้าชาณะปัจจัยมีหนึ่งวาระ ณมะฆาปัจจัยมีหนึ่งวาระนวิปวุตาปัจจัยมีเก้าวาระย่อณอธิปติปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีเ้าวาระย่ออารมณ์ปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสองวาระย่อพึงขยายสหชาตะวาระปัจจยวาระมิจยวาระสังสัทธวาระและสัมยุญตาวาระให้พิจารเหมือนกับปฏิจจวาระส อเบกขาชะขตะบทเจปัญหาวาระปัจจะยจตุกนัยเหตุปัจจัยเป็นต้นสองห้าสิบสสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งสหโรโคดูเบขาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งสหโรโคดูเบขาโดยเหตุปัจจใจมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งสหโรโคดูเบขาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุ ซึโสหรโคดูเบขาโดยอารมณปัจจัยมีเก้าวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งโสหรโคดูเบขาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งโสหรโคดูเบขาโดยที่ปฏิปัจัจมีเก้าวาระยอ่อ255เหตุปัจจัยมีสามวาระอารมณปัจจัยมีเก้าวาระอธิปติปัจจัยมีเก้าวาระอนันตรปัจจัยมีเก้าวาระ สมณันตระปัจจัยมีเ้าวาระสหชาตระปัจจ <ock, S 1> <ops. S 2> uh, ัยมีเ้าวาระอัญญามัญญปัจ huh. จ ah ัยมีเ้าวาระนิจยปัจจัยมีเ้าวาระอุปนิจยปัจจัยมีเก้าวาระหาเจวะนปัจจัยมีเ้าวาระระมะปัจจัยมีสามวาระวิปากปัจจัยมีเ้าวาระอาหาระปัจจัยมีสามวาระอินทรียะปัจจัยมีเ้าวาระชาณะปัจจัยมีสามวาระ มัราปัจจัยมีกล่าววาระสัมปยุตตปัจจัยมีกล่าวาระอธิปัจจัยมีกล่าววาระณิปัจจัยมีกล่าววาระวิคตาปัจจัยมีกล่าวาระอวิคตะปัจจัยมีกล่าววาระจจย่อปัจจนิยุทธาระสองสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งโสระโคตอุเบขาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งโสระโคตอุเบขา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 และปัจิญจานุโลมแห่งปัญหาวาระในกสชละตึกกะที่นับไว้แล้วเฮตุทุกะและปิติติกกะจบ